เมื่อใจจะทำวาจาจะพูดจิตจะเล็ดคิดห้ามเอาไว้ทุกอย่างไม่เห็นใหุ้คิดให้ติดตามอารมณ์อะไรถึงใจเอาไว้เมื่อเราตั้งใจรักษาใจทั้งตัวอย่างนี้การตั้งทำจะเกิดอันนี้สง มีเกิความสึกความสงบความเย็นของใจแา่เรื่องของใจนั้นไม่มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อ น, ไ ม, นไม่ว่านั่งว่านอนไม่ว่ายืนว่าเดินมี่จะคิดจะกลติดตามอารมณ์อยู่เรื่อยไปเรื่องของใจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกอบรมใจ ส่วนความสงบส่วนความพัผ่อนของจิตจะได้มีกำลังนึกคิดแก้ไขปัญหาของใจผิดของจิตต่างๆให้ตกออกไปขาดออกไปนี่คือการฝึกอบรมจิตระยะสี่สังธรรมะก็เป็นโอกาสเวลาที่ฝึกอบรมภาวนาเป็นโอกาสที่ละกิเลส เป็นโอกาสที่จะรักษาใจนในเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนั้นรักษาใจของตัวอย่างนั้นการสั่งทรรมะก็จะเกิดสาราประโยชน์เพราะถือว่าเป็นการพักผ่อนจิตเป็นการทำความสงบของจิตเป็นการทำความสะอาดของจิตถ้าเราไม่ได้นึกคิดอย่างนั้นนี่ต่ฟุ้งใจคิดซัแกแต่ว่าฟัง หูฟังใจก็คิดกับนึกในเรื่องอื่นเทียมันก็ไม่มีโอกาสเวลาจะสงบให้เมื่อไม่สงบมันก็ไม่สุขมันก็ไม่สบายไม่เย็นมีแต่ทําร้อนวุ่นวายปุ่งคิดไม่มีอะไรคิดกัดการนั่งธรรมดาคุยธรรมดาฟังเรื่องภายนอก ถ้าหากเรารักษาจิตห้ามจิตในจิตปรุงในเรื่องอารมณ์ต่างๆถือว่าการฟังทมนั้นทั้งฟังทั้งทมในจิตของตัวดิ่งเข้าไปหาความสงบหาความเยือกเย็นได้ก็เกิดอันนี้สงส์เห็นอันนี้สงส์อยากจะฟังอยากจะทำในทางภาวนา อยากจะศึกษาในเรื่องธรรมะเพราะจิตได้รับความสุขความสบายถึงทุกคนต้องการความสุขความสบายความเย็นเย็นของจิตจึงได้บายหน้าสลักการงานต่างๆนาน า, นาออกมาศึกษาออกมาปฏิบัติจะเป็นขลือหัดหรือบรรพชิตก่อตาม มุ่งมั่นในการระพิตปฏิบัติําจัดจิเล็ของใจไม่ใช่ว่ามาวัดเฉยๆมาเที่ยวมาเล่นมาฝึกมาอบรมตัวของตัวเพราะวัดนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นที่พักทีอาศัยของผู้สาพิต ป, ปฏิบัติทมทุกความุ่งมั่น ต่างหน้าต่างตาศึกษาภาวนาหาความสงบทางกายทางวาจาทางใจเมื่อสถ า, านที่เหมาะสมพอที่จะอบรมจิตใจให้สงบได้เราก็ถือโอกาสอันนั้นเนี่มาทำความสงบของใจ จะอยู่คนเดียวก็ให้ท้งเกตจิตใจท้องตนรักษาจิตใจท้องต้นไม่ไปกังวลบุ่นวายกับเรื่องภายนอกจะกําหนดบทบริกรรมหรือจะกําหนดลมหายใจก็ถูกสาหรับอัชฉริยะใสของแต่ละพันแต่ละคนเรากําหนดลมทําให้จิตใจท้องตน สงบลังงับเยือยกเย็นด้วยไม้หรือเราชอบบริกรรมพุทโธแล้วจิตเกาะเกี่ยวกับพุทโธอยู่กับพุทโธได้รับความสุขความสงบความละเอียดลงไปท้องใจก็ให้สังเกตตัวของตัวเองอะไรมันถูกมันไม่เป็นคิดเป็นใจมันทําให้ใจเยือยกเย็นทําให้ใจเป็นสุข อะไรมันคิดจิตมันคิดมันปรุงมันวุ่นวายสายแสบเดือดร้อนเกิดทุกข์เกิดโทษกายก่อเหน็ดเหนื่อยเหมยหิวใจก่ว่าวุ่นคุนมัวนี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกมันผิดมันเป็นคิดแก่ตัวท้องตัวเมื่อมันเป็นอย่างนั้นตัวเองจะเป็นคนสังเกตเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้น ในตัวของตัวเรากําหนดลมทําให้จิตละเอียดอ่อนเข้าไปแล้วก็กําหนดลมเรากําหนดพุทโธทําให้จิตใจสงบระงับได้เราก็กําหนดพุทโธแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้งหากเรามีสติความรู้อยู่ในจิตในใจทําอะไรทําไปเพื่ออัดเพื่อทำ ไม่ได้ทำไปเผื่อโลกบางทีการกําหนดลมสบายแต่บางทีการกําหนดลมวุ่นวายเราก็บริกรรมได้บางทีบริกรรมจิตไม่สบายไม่ละงับดับความฟุ่งเุืองเราก็กําหนดลมได้นี่คือเรื่องของตัวจะรักษาตัวของตัวเองเหมือนกันกับโรค ที่เกิดขึ้นกับกายกเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ไม่มีความสบายไม่มีความสาุขยาที่เรานำมารักษามันมีหลายประเภทเรารักษาเฮ้ยยาอันนี้โรคของเราไม่ดีไม่หายให้เราก็เอาขนานใหม่มารักษาเพื่อจะให้โรคมันหายไปจะให้หลังกายปลอดภัยแข็งแรงสบายทาการ งานต่างๆได้มีเรื่องข้องใจก่อนทำนองเดียวกันทุกท่านที่นี่ที่เจรานาสั้งเกียดใจข้องตัวมันถูกอะไร<ม>ที่จะทำความสุกความสงบความเย็นเย็นให้ก็อหาทำนั้ น, น, นมารักษาใจข้องตัวสปล่ยใจข้องตัวอยู่ในขอบเขตของธรรม อยู่ในวงของธรรมมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความสุขความสงบนี่คือการประฤติปฏิบัติการประฤติปฏิบัติควรจะต้องหาสถานที่นิสัยว่าจะประฤติปฏิบัติที่ไหนก็ได้ยิ่งอยู่สําหรับผู้ที่ประฤติปฏิบัติเท่าขั้น จรยงจังแล้วท่านอยู่สถานที่ใดท่านก็ทาได้สะดวกสบายแต่เราฝึกใหม่ฝึกษาใหม่ก็เหมือนกันกับนักเรียนจะต้องมีครูมีอาจารย์แนะนเขียนให้ดู <c oughs> อ่านให้ฟังให้นักเรียนตัางหน้าต่างตางดูครูที่แนะสอนท่านเขียนอย่างไรก็ไต่ก็กาท่านอ่านอย่างไร จะส่งฟังเสียงจำเนียงที่พันอ่านเมื่อหลายวันเข้านักเรียนก็จําได้ฝึกหัดเขียนเป็นเมื่อเขียนเป็นแล้วจะไปเขียนอยู่บ้านก็เขียนได้เขียนอยู่สถานที่ใดก็ง่ายกสบายแต่การฝึกจิตฝึกใจนั้นก็ทํานองเดียวกันจึงจําเป็นต้องหาสถานที่มิเชว่าจะฝึกอยู่ที่ไหนก็สะดวก สบายให้ทุกผลทุกแห่งไปพระพุทธเจ้าจึงสอน <c oughs> เ, อเรื่องรีเว่เพื่อเป็นสถานที่ฝึอกอบรมจิตใจของโยคาวจรภูมมุ่งมั่นที่จะ ต, ตปอิบิติรําจัดกิเลสตัณหาเกี่ยวกับโยคาวจร สอนให้ไปหาที่วิเวกที่เหมาะสมที่เป็นสัตายาะที่วิเว <c oughs> ก็หมายถึงที่สังกัดไม่มีบุคคลไปเกี่ยวข้องขุข้ามเราอยากจะนั่งกั้งวันก็ไม่มีอะไรจะมาเกี่ยวข้องวนวายรูปภายนอก โกเมนนาสเกี่ยวข้องให้จิตใจปรุงชิดเสียงภายนอกผกเมนนาสเกี่ยวข้องให้จิตใจรุ่มหลงเงียบสงัดภายนอกอยากจะนั่งตอนไหนก็สะดวกสบายอยากจะเดินตอนใดง่ายง่าหนีไม้ถึงที่วิเวศของตายท่านเหตุสแสวงหาเนี้ยแต่ เป็นพรศาสดาคือพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ชมเชยเื่องวิเวชทั้งทั้งที่ท่านหมดย่เหลือปัญหาท่านก็ชมเชยการรเสรเรื่องวิเวชการตั้งวัดในสมัยพุทธก า, ารวัดของท่านวัดแรกอย่างเรือรู่วันก็ห่างจากหมู่บ้านตั้งยี่สิบห้าเส้น คือเสียงภายนอกไม่ควรถ้าไปรบกวนเวลานั่งเวลาเดินกว่าสะดวกสบายครที่ไปฝึกอบรมเป็นชีสุสามะเนียนหรืออุบาสกอุบาสิกาตัวหาความสงบหาความวิเศษได้พอสมควรนี่เป็นเรื่องของวัดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเบื้องต้นต่อมาก็ บัรดาทำนองนั้นเป็นสถานที่จุกอบรมจิตใจเพราะสมัยนั้นปริญญาตดูเหมือนยังไม่มีสอนันด้วยปากเปล่าสอนแล้วคนที่ฟังก็นำไปนิจิตรเจนนำไปประชติปฏิบัติเกิดข้อขัดข้องสงสัยอะไรก็มา ทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเสนานะป่าเสนานะที่พักที่อาศัยที่วิเศษกายที่วิเศษใจนั้นพระพุทธเจ้าทรงบันหยัดไปยี่สิบห้าเส้นขึ้นไปเนถึงสองรอยเส้นเจนนั้นว่าลำบากลำคาญเจนไปสองร้อยเส้นลงมาหายี่บห้าเส้น เป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ฝึกจิตสึกใจเมื่อได้สถานที่วิเวกสงบภายนอกไม่มีรูปเสียงกลิ่นรถเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวแล้วจิบก็มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาหาความสงบได้ เพไม่มีอะไรภายนอกจะมาวุ่นวายแหนะตัวสอนตัว <c oughs> สิงอื่นภายนอกเขาสงบหมดเหลือแต่จิตของเราเนื้อคิดปรุงปรุงตามสัญญาอาดีตบั้งอน า, าคตบ้างปัจจุ บ, บนันในอยู่กับตัวของตัววิ่งว่อนไปในอดีตนะอน า, าคตเลยเรื่อยการคิดปรุงปล่อยจิต ไป ต, ตามกิเลสตัณหาตัญญาอารมณ์อย่างนี้เราเคยปล่อยมาเป็นเวลาระยะยาวนานไม่เห็นความสุขความสงบของจิตไม่เห็นอานิสองส์อะไรในการปล่อยจิตปล่อยใจไปนอกจากจะขว้าแต่สิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายมาแทลเขาตัวเอง ไม่อย่างนั้นจิตก็เหนืดอเหนื่อยเหมื่อยหิวเพราะความจิตปรุงของจิตของใจงเวลานี้เราได้ที่วิเว้สงบภายนอกไม่มีรูปเสียงเรื่องราวอะไรรบกวนเขาวิเว้เงียบสงบทุกอย่างเราจะสอนจิตของเราให้วิเว้โดยการกำหนดบท จะเป็นบริกรรมหรือลมหายใจก็ได้กาหนอดอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆห้ามจิตห้ามใจไม่รห้ห่วไรไปตามสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาหรือผุดขึ้นรักษาเอาไว้ตั้งใจบริกรรมตั้งใจกาหนดลมผลที่สุดจิตใจที่เคยฟุ่มรุงใสข้างนอก เมือเราหาักห้ามแนะนทุกอย่างว่าคิดไปแล้วปรุงไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่สงบสุขให้เราห้ามกัน้นไม่ให้จิตมันคิดมันปรุงพอรู้สึกก็กั้นเอาไว้หักห้ามเอาไว้ดึงมันมาให้อยู่ในคาบริกรรมภาวนาหรือกำหนดลมนานเข้าจิตของเราก่อจะสงบลงรวม ได้รับความสุขความสบายซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเจนมาก่อนความสงบของจิตเป็นอย่างไรพอมันเกิดมันเห็นมันเป็นในใจเราก็ไม่มีทางสงสัยเราความสงบความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่กับตัวของเราอยู่กับจิตของเราไม่ได้อยู่กับสถานที่ใดไม่ได้อยู่กับอะไรทั้งหมดเมื่อเรา ปล่ยปะละอารมณ์ต่างๆให้หมดไปแล้วจิตลงรยมอย่างนี้มีความฝุกนน่าอัศจรรย์ไม่มีใครที่ไหนจะมีสมบัติพัชฌาานบ้านช่องใหญ่โตมีเข่าของเงินทองมากมายขนาดไหนจะมาไปสพพบเห็นจิตใจชนิดที่เราเห็นเราเป็นหนึ่งเพราะจิตชนิดนี้จะเห็นจะเป็นจะต่องอาศัยการบําเพ็ญ จะต้องอาศัยการฝึกอบรมทางธรรมะเราเชื่อเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราความสุดความสบายนั้นมันผึดกันคนละโลกกับความสุขซึ่งเราเคยประสบพบถ่ามมาจากรูกรสกลิ่นเสียงต่างๆทางจามอารมณ์เพราะความสุขของใจจิตศาปจาก ราคาตัณหาปร า, าศจากอารมณ์สัญญานั้นมันสุขในทางนิลานิพพสุขคือไม่อิงอามิตรภายนอกสุขละเอียดสุขสุ ข, ขุมสุขการนี้คนที่เห็นที่เป็นด้วยการกระทำบำเพ็ญของตัวจึงเชื่อไม่ อยากจะแต่ทำบําเพรนให้เห็นให้เพลนอยู่เรื่อยเพอความสุขความสงบส่วนนี้เป็นของดีของดเสิสัญญาอารมณ์ที่เคยฟุ้งฟุงคิดนึกข้างนอกว่าดูอันนั้นมันสนุกดูอันนั้นมันเพลินมันสุขที่เราเคยผ่านเคยเห็นมาโดยตาโดยหูโดยจมูกด้วยลิ้นโดยใจ เคยสำัำผาสเกี่ยวข้องมันไม่เหมือนความสุขของจิตใจที่เทาสงบถี่ลงรวมให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราเห็นความสุขอันปราณีตความสุขอันสุขขุมความสุขอันละเอียดแล้วก็ต่องการอารมณ์ส่วนนอกที่เราเคย โยคข้อดเราเคยติดตามมันก็ละเองถอนเองพออารมณ์ส่วนนั้นมันอยากอารมณ์ส่วนนั้นมันไม่มีดีทีส่สมมุดเสมอสับความสุขความสบายในอาดในธรรมที่เราเป็นเราเห็นนี้แล้วก็อยากจะเห็นอยากจะเจนอยู่เรื่อยๆพอถอนมาจิตใจก็ห่วงนนตคิดถึงความสุข ความสงบความเย็นความละเอียดของจิตอยู่เรื่อยๆไม่ได้คิดไปทางนอกมีโอกาสเวลาบําเพ็ญภาวนาก็าทำเคยทําแบบไหนใจเคยสงบดังนั้นก็กำหนดแบบนั้นอยู่เรื่อยๆไปเหมื่อนเราทําอยู่เรื่อยๆทำสมัยส น, น, นานก็เกิดขึ้นความสงบของจิตความลงรวมของจิต ก็เห็นบ่อยเจ็นบ่อยโอกาสเวลาที่จิตจะเถอไปนึกคิดจิตตามอารมณ์นั้นมันไม่เคยมีเพราะมีสติรักษาจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าการไปนึกคิดอย่างนั้นมันเป็นคิดเป็นไทและห่างไกลาจากความสงบ ความเย็นเย็นส่วนนี้ท่านจริงไม่ไปคิดไปนึกพอเห็นว่าส่วนนั้นมันชั่วมันเสียมันตกะปะกเมื่อจิตได้รับความสงบเป็นสมาธิมีพื้นฐานทางสติปัญญามั่นคงไม่วอกแวกไปในสัญญาารมณต่างๆแล้วถอดถอนขึ้นมา จิตใจก่ไใคคิดในอัดในทำอยู่โดยเรื่อยเดี๋ยวการที่นิพพิจรารณาเมื่อจิตมีสมาชิมีความหนักแน่นพอมันถอดถอนออกมาประสบอารมณ์สัญญาต่างๆมันจะเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันจะมีการ นำอารมณม์นั้นมาพิพจารณาเพื่อศึกษาเพื่อแก้ไขมีเรียกว่าดิปัสนาคือการพิจารณาเพื่อจะแก้ไขเพื่อให้ใจเห็นแจ้งในสิ่งที่คล้องจิตจิตกุงนั่นนั้นถ้ามันผิดในรูปมันก็จะนํารูปนั้นนั้นมาพิจรารณาตามความจริงจริงคลองมันเช่น พระพุดให้เจ้ากล่าวว่าอานิจจังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเดนาสัญญาสังขารยินยานกตธรมนองเดียวกันเอารูปแบบนั้นมาพิจารณาว่ามันเฉี่ยงแค่แนี่ยนอนไหมหรือมันเป็นอย่างไรรูปที่เราติดใจชอบมันแกไขา ย, ยากยินหน่อย อาดไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะของใจจะรูปที่เราไม่ชอบก็อีกแล้ะเกิดทุกข์เกิดกโทษไม่อยากเห็นในรูปนั้นนั้นเมื่อเห็นเข้าก็ไม่พอใจนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนา ม, มาวินิจัยนา ม, มาเจ้าใด้วย ธรรมะโดยปัญญาที่แต่ชนาของธรรมคือรูปนั้นก่อนที่เรายังไม่เห็นมันมีหรือไม่หรือมันจริงมีรันนี้แต่เมื่อไม่เห็นทําไมไหนยินดีไหนยินรา้ายเห็นแล้วทําไมไปยินดีทําไมไปไม่ไปยินรา้ายในรูปเหมือ น, นั้นแล้วรูปเหมือนนั้นบาง สิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นบ้าเป็นบอไปชอบเขาไปยินดีกับเขาไปติบเตียนเขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องปัญญามันจะเกิดขึ้นรูปนี้ในคงที่เกิดขึ้นแตบบ่ปวนและแต่ฉลาสไม่ว่ารูปวัตถุเอรูปหญิงรูปชายเป็นคำนองนั้น เรายังไม่เกิดรูปเหล่านี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปแล้วรูปเหล่านี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้รูปที่เกิดขึ้นเท่าไรก็จะต้องแตกฟวนแตกสลายไปเท่านั้นแต่ช า, าลิเลวนั้นเป็นตามปัจจัยปรุงแต่งของมันทราเข้าใจขนาดชัดเจนว่ารูปทุกอย่างเป็นอนิจจัง เป็นไปตามทํานองนั้นถั่วไปไม่ว่ารูปภายนอกหรือรูปภายในคือตัวของตัวเองเบ่งต่นก็ไมหน่เป็นอย่างนี้เคยเป็นเด็กอยู่ในคันสอดออกมาใหม่ๆทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่เก่เพราะอาศัยปัดใจเสื่องบำรุงมีบิดามารดาถีเลี้ยงรักษาให้อาหาร การอยู่จินมาุงมาจิงเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปถ้าไม่ตายง่ายเราก็จะเห็นเรื่อยไปความเปลี่ยนแปลงของรูปอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าต่สไมไัยปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาก็าเหมือนกันอานาคตยังไม่ถึ ง, ง่าทำนองเดียวกันนี่คือการที่จจรณาอนิุจังเพื่อให้ใจในจิต ให้ขนาชัดเจนเพื่อจิตจะไม่หลงไหลไม่ยึดถือในสิ่งนั้นว่าเราของเราเพราะรูปเหล่นั้นมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในวายหญิงวัยชายม่ว่ยรูปนอกรูปในทุกคนที่มีกิเลสในใจไม่มีปัญญาแก้ไขจึงหลงติดจิตจงอยู่เรื่องอยากจะให้รูปของตัวคงเส้นคงวา ไม่อยากจะให้แก่ไม่อยากจะให้สุดซมอยากจะให้คงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นอยากจะให้้าวให้หนุ่มอยู่สมอไปแต่มีใครบ้างละ่ะที่เขาได้ตามปรับนะเพราะรูปเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันใครจะชอบมันขนาดไหนมันก็ไม่ลหลงไหลในคนชอบ ใครเกลียดมันขนาดไหนมันก็เปลี่ยนไป ต, ตามหน้าจี่ทของมันเราบ้าหรื อ, อยึ่งไปชอบสิ่งที่เขาไม่รู้สึกอะไรไปเสียใจสิ่งที่เขาไม่ทราบเหลี่ยงกับเราไว้จะเกิดปัญญาเข้าใจขนัดในตัวของตัวแล้วละถอนความจิตข้องเห็นไหวจิตเป็นผู้ไปนึกไปคิดไปผิตไปปรุงไปยึดไปถือ ไม่ใช่เรื่องอันอื่นที่จะก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัวจิตของตัวเองก่อทุกข์ก่อโทษแต่จะให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนและที่เล็ดได้ต้องอาศัยจิตใจมีสมาธิความหนักแน่เพียงพอถ้าหาดคิดเดาเอาโดยไมีมความฝึกอบรมจิตเลย คิดไปแต่พะคิดได้แต่มันเป็นสัญญาที่จะละถอนจิตให้ขาดจากจิตมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกอบรมใจให้มีสมาธิคือความลงรวมของใจเมื่อเรามีสมาธิในจิตในสมาธิถอนขึ้นมาที่เจรณาวิปัสนาหรือปัญญาอยู่เรื่อยเรื่อยพอเน็ดเหนื่อยที่เจรนาอะไรไม่ออก กอจับเข้าไปพักผ่อนในสมาธินี่เป็นเรื่องาการเจืจิตโวมใจของพวกเราท่านาจะแกไขความจิดของสอมองต่างๆในแก้มระจ่างขึ้นในจิตในใจถ่าใจไม่หลงไหลใจเข้าถึงอัดถึงธรรมใจเข้าถึงความจริงแล้วเราไม่หลงไหลอะไรเข้าใจว่าริง ที่เกิดขึ้นมีความแปรปวนและแตกสลายไม่ว่ารูปไม่ว่านามทำนองเดียวกันหมดไม่ว่าตัวของเราหรือคนอื่นเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรติดกั้นกนำบังโลกอันนี้เปิดสว่างอยู่ตลอดระยะเวลาสมกับว่าอาโรโภฏตาธที่สว่างกระจางแจ้งอยู่เสมอมา แต่อาศัยจีเล ต, ต์ตำปัญหาอาศัยตามึดบอดของเราจึงมองไม่เห็นคำว่าตามึดบอดคือตาใจไม่มีสติไม่มีปัญญาพราที่จะที่จะรายงานในสิ่งนั้นนั้นให้เห็นตามเป็นจริงไปได้พอมันปกปิดคุมเอาไว้หมดเหมือนแสงคิดแสงจันมันมีอยู่ตลอดยันตลอดเวลา ถ้าหากไป่มีเมฆหมอกมาปิดกั้นเอาไว้แสงที่แสงจันทร์จะทอแสงออกมากระจางทั่วแผ่นดินแต่นี้อาศัยเมฆปกปิดเอาไว้ก็เลยไม่ทอแสงออกมาให้ใครมองเห็นมีจิตใจของเราที่ไม่ได้กะทำบำเพ็ญมีแต่เมฆหมอกคือกิเลสปัญหาหุ่มห่อเอาไว้ใจจึงเมื่อยนิด มองอะไรก็เห็นผิดเบื่อยไปเข้าใจว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้สมมติของโลกเราเกิดมาถึงจะไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนต่อตามแต่เราก็ได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือพรรพวกเกลื่นผูงเขาพูดเขาคุยกันสมมตินั้นนั้นมันเลยฝังเลยทับ มดคือความบริสุทธิ์ของจิตทัดเข้าไปถมเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดก็มองไม่เห็นแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรความรู้ท้ายนอกความรู้จากสมมุดความรู้จากปริยัตมันเป็นความรู้ทางสัญญารู้เท่าไรก็หลงเท่านั้นไม่มีการที่จะแก้กิเลสปัญหาได้ ทังรู้ทังหลงอยู่นั้นรู้หลงหลงไม่เคยรู้จริงอย่างรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยการภาวนารู้ด้วยการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะรู้อันเดียวกันแต่มันไนม่เหมือนกันรู้จากการศึกษาการปฏิบัติธรรมะรู้แล้วมันแจกไใละวางปล่อยปะไป ใจมันจึงสะดวกใจมันจึงสบายใจมันจึงสงบใจจึงเยือกเยน็นใจจึงเบิกบานใจจึงตืน่นจากทกิเลสมีการฝึกการอบรมจริตใจพวกเราทุกคนก็มุ่ง ม, มั่นอยากจะให้จิตใจของตอนมีความสงบมีความสุขปราศจากทุกกิเลสปัญหาก่อพื้นต่างหน้าต่างตา จะทําบําเพ็ญเพราะโอกาสเวลาหรือสถานที่พอที่จะห า, าวิเิ์ภาวนาชำระกิเลสได้ถ้าหากเราไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจภาวานาละกิเลสแล้วจะอยู่ในสถานที่สงบส ง, งัดขนาดไหนแต่ไม่เอาใจใส่ที่จะฝึกอบรมใจท่องตนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้ แต่นั้นโอกาสเจลาหรือสถานที่ทุกอย่างอำนวยให้เราก็าตั้งใจจะมาแต่ทำบำเพ็ญมาประฤฏิบัติช่วงฝึกหัดอบรมต่างหน้าตัางตาแต่ทำบำเพ็ญเป็นตามความสามารถท้องตนหนวทุกคนต่างหน้าตัางตาศึกษาภาวนาละกิเลสความดีวิเศษความสงบคลองใจถึงเราไข ค, คิด อยากได้อยากเห็นอยากเ็นนั้นก็จะเป็นสมบัตของเราเพราะทำเป็นอาจาริโกไม่มีการมีสมัยใครต่างหน้าต่างตาศึกษาภาวนาละชิเลคนนั้นก็จะมีความสุขความสบายคนไหนไม่ต่างใจ <c oughs> ไม่ปฏิบัติเห็นว่าทำหมดการหมดสมัย ไม่เด่เนเ้มใจในการรักษาสีนสมาธิปัญญาวิชาวิมุตมันก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นพวกเราท่านเชื่อมัน่นว่ามรรคผลธรรมวิเศษยังมีตามต่อพืชปฏิบัติอัธรรมในทางที่ดียังส่ง ผ, ผลดีให้การปล่อยใจไปในทางชั่วยังเกิดชีเลตันหาเกิดทุกข์เกิดโทษได้ จึงตัางหน้าต่างตาต่อมาบวชเป็นพระเป็นเนรตั้งหน้าต่างตาต่อมาศึกษาภาวนาจะเป็นฆราวาสฤๅษีก่อตามก่อให้ต่างหน้าต่างตาแต่ทำบำเท็ญให้เห็นให้รู้ในตนของตนเมื่อทุกคนสนใจตั้งใจภาวนารักษา จิดรักษาใจท่องตนทังวรเล่าวังอารมณ์สัญญาสี่ขั่วเสียต่างๆสี่จรมาหรือผุดขึ้นไม่ให้จิตไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาจิตใจท่องตนมาเหลุ่มหลงไปในสัญญาอารมณ์ยึดมั่นในธรรมสี่พระพุทธเจ้าแนะ่สอน จะเป็นพุตโทรรมบริกรรมกวดตามหรือกำหนดลมหายใจกวดตามเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิถอดถอนขึ้นมาที่เจรินาทางปัญญาเสื่อละเสื่อแจ้ไขจีเลสเมื่อตั้งหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญอย่างนี้ทุกคนจะมีโอกาสเวลาประศพพบเห็นธรรมะคืธรรมสงบ เย็นของใจดังนั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นิพิตเจรณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมเห็นได้พอสมควรเสียเวลาเพรยุติเียเี้